ทางเดินของวัตถุสงสารมีิเจสความโลภ ค, ความโกรธความหลงรือราคะตัณหาเป็นทั้งทางเดินเป็นทั้งผู้ควบคุมให้เดินตาม ทางสายของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวแก่สัตว์โลกทั้งสามไตรภพไม่ให้เดินออกนอกลูกนอกทางของมันไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการแห่งความเคลื่อนไหวใดๆต้องให้เป็นไปตามแถวทางหรือกิริยาของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเท่านั้น นี่คือทางเดินของวัตตวลมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาสายทางก็คือกิเลสส่วนใหญ่เป็นสายทางอันเปียนโลกสัตวางายจึงไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ใช่ราบรื่นชื่นใจ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 หมูนไปเวียนมาอยู่ทํานองนี้นี่คือสายทางของวัตตวนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เจอแล้วเจอเล่าเจอความทุกข์ซึ่งเป็นของเก่าที่เคยเจอมาแล้วยี่กลับกี่กันไม่กำหนดกฎเกณฑ์แต่ไม่อาจสามารถจะจำได้ในความทุกข์เหล่านี้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 นอกรูก้นอกทางของมันได้ยิงต้องมีความทุกข์ความลําบากด้วยอํานาจแห่งกิเลสประเภทต่างๆเป็นผู้ให้โทษเป็นผู้ให้ทุกข์ความลําบากลำบนทานีทางวิวัตะที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจา้าทุกๆพระองค์ ที่ท่งค้นพบอันเป็นทางสุขเกษอันเป็นทางหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัตตาวลเรียกว่าวิวัตะคือมัชชิมาปฏิปทาได้แก่ทางสายกลางนี่เราแปลกันอย่างเป็นคำสวยงาม ว่าเป็นทางสายกลางทางราบรื่นดีนาวิธีการแห่งการเดินตามทางสายที่ประพุติเจ้าทรงเคยดำเนินมาแล้วได้ประทานไว้แก่บรรดาสัตว์ตั้งหลายให้ดำเนินได้แก่ สติปัญญาศรัทธาความเพียรรวมเข้าแล้วก็เรียบว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปติปันโนญายะปติปันโ น, า น, โนสามีจิปติปันโนนี่คือประโยคแข่งการเดิน ของผู้จะไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพานผ่านโลกวัตบนอันกันดาล น, นี้เสียได้โดยปลอดภัยกิริยาแห่งท่านผู้ดำเนินด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามิจิตนี้ยอมงงามทั้งกิริยาแห่งการคิดออกทางด้านจิตใจ งามทั้งวาจาที่พูดเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพลาะเพราะพริง้งเป็นเครื่องรุ่นเริงซึ่งกันและกันงามทั้งการประพฤติกิาการแสดงออกทางกายทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางที่ตรงแนวต่อ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 ด้วยมัชิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายตรงแนวต่อความพุนโตค้นถูกนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นศัตรูคู่อริต่อธรรมต่อการปฏิบัติของเราซึ่งไม่มีสิ่งใดอันใดที่จะนอกเหนือไปจากคำว่าทิเลกประเภทต่างๆ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 หรือหรือหลักพาวิในของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึงทราบว่านั้นคือสิ่งปลอมแปลงคือสิ่งเคลือบแฝงที่จะคอยทำลายการดำเนินหรือการก้าไปตามมัชิมาของเราให้พึงระมัดระวังอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาขีดขวางหรือเหยียบย่าทําลายหรือปิดกั้นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไปเสีย โดยที่เราไม่รู้สึกตัวมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่ทรงรับรองไว้แล้วอย่างเต็มภูมิของศ า, ศาสดาของเราไม่มีทางสายใดที่จะตรงแนวยิ่งกว่าสายทางคือมัชฌิมาปฏิปทานการแสดงออกแห่งกิริยาของมัชฌิมา แต่ทั้งแง่และมุมนั้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีหมายชึงองค์ปัญญาที่จะพาการดำเนินของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกราบืนชื่นใจตัดอุปสรรคไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งปัญญาสัมมาสังกปะกก็เช่นเดียวกันเป็นความดำริคิดอ่านไกรตรอง ในเหตุในผลอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษซึ่งมีอยู่กับใจดวงนี้ใเลือกเฟน้นด้วยปัญญาทั้งสองประเภทคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะมีเรียกว่าองค์แห่งความฉลาดที่จะนำผู้ดำเนินให้เป็นไปตาม สาทางแห่งมัตติมาคือความเหมาะสมความพอดีความถูกต้องความราบรื่นชื่นใจจนถึงฝั่งแห่งสันติธรรมอย่างยอดเ ย, ยี่ยมได้แก่พระนิพพานสัมมาวาจากราวให้มีมีผลกราวให้เป็นที่ชื่นชมยินดีนออดในอัตในธรรมต่อกันกราวเป็นสิ่งที่ให้ เกิดความรื่นเริงบันเทิงเกิดความพอใจในธรรมทั้งหลายต่อกันที่เรียกว่าเป็นสัมโมทเนียกถาท่านผู้ใดกล่าวออกแสดงออกก็ให้เป็นอัดเป็นธรรมเป็นคติอันดีงามแต่ท่านผู้ฟังเรียกว่าสัมมาวาจากราวชอบ ในการกราบชอบนี้ท่านแสดงไว้ถึงสิประการซึ่งเคยได้แสดงมาหลายครั้งหลายหนแล้ววันนี้จึงไม่จำเป็นต้องแสดงจะพูดให้ฟังเฉพาะหัวข้ อ, ขอแห่งการสนทนาเพื่อความรื่นเริงซึ่งกานัการของพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือท่านนักปฏิบัติคือนักบวชท่านปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ท่านพูดท่านสุทนาต่อกันให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อเท่านั้นว่าอปิชตาต่างองค์ต่างมีความมากน้อยไม่มากใหญ่มากใหญ่ไฟสูงไม่มากมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องพลุงพลังกดทวง จ, จิตใจไร้ธรรมะ กลายเป็นเรื่องกิเลสสั่งสมขึ้นมาบงทั้งที่เราเป็นนักเสียสละแต่กลายเป็นนักสังสมขึ้นมาเพราะความที่ขัดต่อความปรารถนาความปรารถนาน้อยหรือความมักน้อยอเป็นความไม่พรุญพลังสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้น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 นอกจากไม่ครา่าครา้าไม่คุกยคีกับเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนภายนอกแล้วยังไม่คุกยคีกับสิ่งกับอารมณ์ที่เป็นเครื่องมอหม่องมอหม่องมอมัวหมองต่อจิตใจอีกด้วยพยายามน้ำมัดระวังฆ่าศึกคืออารมณ์ที่เป็นเครื่องมอหม่องมอมัวหมองจากจิตใจ ด้วยความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องกัานกรองอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยมีเรียกว่าอสังสักนิกาไม่คลุกคลีภายนอกแล้วยังละมัดระวังข้างในไม่คราาเค้ า, า, ากันกับเรื่องของกิเลสพยายามเห็นโทษของมันอยู่เสมอวิเวกตาชอบสถานที่วิเวกสงัด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 เป็นเครื่องประคับประคองรักษาใจให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นข่าศึกอยู่เสมอซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าวิเรตกกตาอันนี้วิริยารำภาจากนั้นก็กล่าวถึงศีลศีลเป็นสมบัติอันสำคัญทําความสวยงาม ในมารยาทแห่งการแสดงออกและทำความชุ่มเย็นให้แก่จิตใจของเราดสมาธิพยายามทำให้เกิดหมีใจหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุคือการกระทำของเราไม่หล่แหละไม่โยกคลอนไม่คอนแคลนไม่อ่อนแอมีความมุ่งมั่นบันทอน ความพุ่งสร้างม่นวายด้วยการฝึกการทรมานการกดขี่บังคับอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นค่าศิทต่อความสงบของใจเป็นอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจให้รับความขุ่นมัวอย่างน้อยขุ่นมัวเศ้าหมองมากกว่านั้นผลของมันก็คือความทุกข์สมาธิ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 ทำเครื่องสนธนาของพระท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในครั้งพุทธกาลท่านสนธนาเป็นเครื่องรืนเดืองซึ่งกันและกันจากนั้นก็แสดงถึงเรื่องปัญญาความใช้ยุฉลาดในอุบายวิธีที่จะแก้ความคิดแปลงเปลี่ยนแปลงคุรมายาของกิเลส มีอยู่พ า, ายใจิตใจนี้ให้ทันท่วงทีให้ทันกับเหตุการณ์ของมันอยู่เสมอเสมอตามขั้นแห่งปัญญาที่จะควรแก้ควรทันกับปมายาของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามแก้ตามไขตามปวดเปลืองถอดถอนกันได้โดยลําดับจนกลายเป็นวิมุตติความอดทน บุญพ้นที่ใจซึ่งถูกจองจำจากกิเลสปัญหาอาศวะเป็นผู้ควบคุมกดขี่บังคับมานานบุญพ้นที่ตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะอันเป็นสันเเลขขะขัธรรมข้อที่สิบได้จะยญาณความรู้แจ้งชัดในความบุญพ้นของตนในขณะที่ความบุญพ้นได้ปรากฏขึ้น ญาทั้งรู้ทั้งเห็นประจักษ์ใจในเวลานั้นนี่เป็นธรรมเครื่องรื่นเงของพระผู้จะถอดถอนพิริยก อ, อาสวะทั้งหลายท่านคุยกันสนทนากันมีแต่ธรรมเป็นเครื่องรื่นเงเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจรุน่นรนนี่เรียกว่าสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งทีเดียวสัมมากรรม กำมันโตได้าจากการประกอบความภาคเพียรในเอียบททั้งสี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความน้ำมัดระวังด้วยความมีสติอยู่ในวงความเพียรไม่ให้กิเลสแทรกเข้ามาเหยียบย่าทำลายความเพียรของเราที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นในเอียบท่างนี้เรียกว่า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 ไปตามๆกันเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถอดถอนกิเลสแต่เป็นเครื่องกลังบลเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลศของพระซึ่งเป็นนักปฏิปฏบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะฉะนั้นสัมมากรรมันตะประเภทนี้อันเป็นส่วนยากจึงสามารถหรือเป็นค่าศึกต่อสัมมากรรมันตะ แห่งงานที่ชอบแห่งงานที่ละเอียดเพื่อตถ อ, ถอนที่ละเอียดได้แก่การประกอบความเพียร น, นี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยเพีงต้องพยายามระมัดตัว่ะสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเราพอทราบกันได้ทั่วๆไปการบินเ ท, ทมาฉันด้วยกำลังปีแข่งของตนนี้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 นี่เป็นสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับส่วนร่างกายสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับใจก็คือ ค, อความนมัด ร, ระวางยาพิษที่จะสำคัญว่าเป็นอาหารของใจกว้านเข้ามาด้วยการเห็นการได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหจูจมูกลิ้งกาย รายเป็นเรื่องยาพิษเข้าไปเผาจิตใจของตนที่นนไม่จัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพคือความเป็นอยู่แห่งใจของเราซึ่งเป็นหลักใหญ่รับผิดชอบในร่างกายนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปตามจนกลาเป็นความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอาหารอันเป็นพิษไม่จัดว่าเป็นสมาอาชีวะ นั้นเรียกว่ามิจฉาชีพนำอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาเผารนุนจิตใจของตนสามมาอาคีวะหล่อเลี้ยงจิตใจได้อัดด้วยธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอทมได้โอชารสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงย่อมมีความเจริญมีความจุ้มเย็น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 รู้ตัวอยู่เสมอให้อยู่ในวงของกายหรือจะคิดจิตมีคิดไปทางใดใมีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับเด็กนีพี่เลี้ยงติดตามย่อมปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายได้จิตใจที่มีสติเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่เสมอก็เป็นเช่นนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิ คือความสงบของใจที่เป็นสัมมาก็คือนำอารมณ์ที่จะยังใจให้สงบเข้ามากำหนดเข้ามาบริกรรมหรือยึดขมาเป็นที่พึ่งพิมของใจใมีความรู้สึกดูกับทรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เย็นอยู่แล้วนั้น เพื่อใจจะได้ยึดนั้นแล้วเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาภายในตัวเองมีเรียกว่าสัมม า, า, ส, มมาสติมีหลักธรรมเป็นสวนขาตธรรมเป็นเครื่องยึดของใจเมื่อจิตมีความสงบก็รู้อยู่ภายในตัวเองว่าสงบลึกตื้นยามละอยาดเพียงไร ไม่ใช่ว่าสงบแบบหัวตอแบบนอนหลับนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธินี่ทรามท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในสันเลกธรรมกล่าวแล้วรวมลงมาสมาสมาธิงองค์มากไปมีเราทั้งหลายผู้ดำเนิน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 ท่นถูกต้องดีงามนี้ชื่อว่าสุปฏิปโนอุชุญายะสามีจิคือปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตรงต่อเหตุต่อผลต่ออัตต์ต่อธรรมต่อความอดทนญายะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆสามีจิ is, ปฏิบัติงามตา อย่างงามตางามใจคนอื่นมองเห็นก่อนน่าเลืม่มใสน่าเคารพบูชาตนเองก็มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยสามีกิกรรมคือการปฏิบัติชอบของตนอาการเหล่านี้เป็นอาการถอดถอนกิเลสและเป็นอาการที่ก้าวไปตามสายทางมัตถิมาปฏิปทาอันเป็นทางพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสยัย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 จะเต็มไปด้วยวัตจักรวัตตะวันทั้งนั้นพเพราะช น, นะด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติยึงควรระมัดระวังสังรวมตนอยู่เสมออย่าได้เฉื่อยชาอย่าได้แสดงความเคยชินต่อความเพียรแล้วนอนใจเหล่านี้เป็นเรื่องเคลือบแฝงของกิเลสทั้งหมดให้พึงระมัดระวังตัวอยู่เสม อ, อยากลำบาก คือการต่อสู้กับกิเลสเราลำบากกิเลสก็ต้องลำบากเหมือนกันเราอยากคิดว่าจะเรามีความลำบากเพราะเพราะการประกอบความภาคกันเลยตัวกิเลสมันก็ลำบากเพราะการต่อสู้ของเราการห้ามหันกันกับกิเลสการตกต่อยการฆ่าฟันกันกับกิเลสทําไมกิเลสจะไม่ลำบาก <het> เลยจากความลำบากแล้วกิเลสต้องตาย <het> เรารำบาก แต่เราได้ชัยชนะเราไม่สู้มันเลยเราเหมอบราบแพ้อย่างหมอบราบผลที่จะพึงได้รับก็คือเป็นธาตุของยิเงลิธาตุแห่งความเกิดความแก่ความเก็บความตายธาตุแห่งความหมุนเวียนไปมาที่หาตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในวัฏฏะวนนี้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้เลยนั้นไม่ใช่ของดี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 เช่นเดียวกับเราที่มีกิเลสเป็นคาาสุขต่อเราเราหาความสุขที่ไหนเจอมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะมันทั้งนั้นเมื่อทุกข์มันทำลายเราเพราะเราแพ้มันทีนี้เมื่อเราต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ของเราก็มีกิงในการต่อสู้ในขณะเดียวกันความทุกข์ของกิเลสก็ยอ่อมมี ความเจ็บปวดแสบร้อนความจะพินาศชิบหายของกิเลสย่อมมีไปโดยลํำดับลำดับเพราะการต่อสู้ด้วยความเพียรแม้จะเป็นทุกข์ในการต่อสู้ของเราก็ต่างเรามีหวังที่จะให้กิเลสสด้รับความทุกข์ความลําบากขนครัวบ้านครัวเรือนครัวลูกเต้าหลานเหลนปู่ย่าตายายซึ่งเคย ฝังล่าฟังฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อยากลึกออกจากจิตใจเพราะอํานาจแห่งมรรคปฏิปทาตามสังหารอยู่ตลอดเวลาทั้งนึกทั้งตื่นทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาศรัทธาความเพียรตามห้ามหันการกรองกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆ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 ว่าเมือกิเลสสิ้นไปแล้วอย่างราบภาพไม่มีพาณาจิตใจแล้วข้าพระองค์มีความสุขสบายหมยอย่างไรถามให้งโง่ทำไมเพราะความรู้ประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานั้นไม่ใช่ธรรมะงูเป็นธรรมะที่ฉลาดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะ ท, ที่เลิศโลกอยู่แล้วพระจาทูลถามท่านหาประโยชน์อะไร ย่อมไม่ทูนถาม น, นี่แหละสมชื่อสมนามที่ว่าสันทิฏฐิโกอิระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขามอบให้ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะพึงรับเป็นมรดกของตนโดยเฉพะเะพาะแต่ละลายละรายที่ปฏิบัติตนได้มากน้อยสันทิฏฐิกรรมทั้งหลายย่อมจะปรากฏขึ้นตามข้านตามภูมิของตนตน ถึงขั้นวิมุตติท้นย่อมจะเป็นสันทิขีโกได้อย่างประจักษ์และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ภายในจิตใจนี้เนี่ยการดำเนินการปฏิบัติจึงต้องมีความยากความลำบากเราทราบด้วยกันแล้วว่าการแก้กิเลสเป็นของแก้ยากถ้าสุดใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีที่จะนอกเหนื้อจากกิเลส ไ, ได้ ที่เป็นแกนแห่งท่าสุดเป็นที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นที่รบยากแก้ยากที่สุดคือแก้กิเลสทุกจากกิเลส ก, ก็เป็นทุกข์ที่ยากลำบากมากเป็นทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่เห็นโทษของมันในความแสดงออกดูกับร่างกายและจิตใจของเรานี่อยู่แล้ว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 ซึงได้ยอมแพ้กิเลสหรือกิเลสจึงเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นธาตุของมันได้ทั้งๆที่เราก็เรียนวิชาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำนี้อย่าให้มีในจิตใจของนักปฏิบัติเราเราเรียนจากครูจากอาจารย์ศึกษาจากครูจากอาจารย์ก็ดีเราเรียนอัจเรียนธรรมตามตำรับตำราก็ดี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 ด้วยการประกอบความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลศด้วยวิชาธรรมของเราที่ได้เคยได้ใช้ชนะมาแล้วและเคยเป็นใหญ่ต่อกิเลศทุกประเภทมาแล้วไม่ควรให้รับคำว่าแพ้ท้ายที่สุดคำว่าแพ้ท้ายหมดทั้งตัวไม่มีสง่าราศีอันใดเลยความแพ้กิเล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 บวชมาด้วยความได้รับศาสตราอาวุธพร้อมแล้วตั้งแต่วันบวชท่านยื่นยกหยิบยื่นให้เราแล้วว่าเจสาโลมานาขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่คือเครื่องมือปราบที่เหล็กความรักความหุงหวงความสงวนไม่มีอันใดที่จะรักจะสงวนยิ่งกว่าธาตุขัน์กว่าสปนละกายานี่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 พยายามรบล้างความจริงคือทำอยู่ไม่หยุดยั้ยงนี่ท่านจริงได้มอบอาวุธอันเป็นความจริงนี้ให้เพื่อปราบพิเรศประเภทจอมปลอมนี้ออกให้สิ้นซากให้เหลือแต่ลักความจริงเจสาลูมานาขาทันตาแตจูหาความสวยงามที่ตรงไหนเอานำไปฟัดเหวี่ยงกับพิเเศอีพิเรศว่าสวยงามหนังหรือสวยงาม ถ้านังสวยงามแล้วหนังรองเท้าเป็นอย่างไรหนังภายนอกสวยงามทำไมจึงมีขี้เงือเ่อที้เงือชีครายเต็มไปหมดชะล้างกันทำไมถ้ามันสวยงามจริงๆไม่ต้องชะต้องล้างต้องซกักต้องฟอกเช็ดถู ก, กันอยู่ตลอดเวลารักษามันทำไมเพราะมันสวยงามมันสะอาดสะอาด ไม่ว่าของใครแต่นี้ทำไมของสะอาดทาไมจิงตตองในชะได้ล้างมันไม่ใช่ของโสกกรปกจะได้ชะล้างใหม่เมื่อเป็นฉะนนั้นมันเต็มไปร้วยของโสกรปรุกแม้แต่ผิวหนังแท้ๆที่หลงกันหนึ่งมันก็คือของโสกรปรกที่เสกสรรปัน้นยอออกมาจากกิเลสภาพเป็นของสวยงามต่างหากนั่นคือจอมโกหกของกิเลสลบล้างความกิน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 เมื่อถลกหนังออกมาดูแล้วหนังหน้าดูหมดสวยงามตามที่กิเลสเสศันทัญญยอนั้นจริงๆไหมหรือหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ได้ทราบพันชัดๆว่ากิเลสนี่หลอกเราถึงขนาดนี้เถอะเลอมันก็ต้องได้เห็นโทษกันความจริงมันหาความสวยงามที่ไหนท้างในก็เยิอมไปด้วยเลือดด้วยเนือเน้อเต็มไปของปฏิกูล ั้งนอกก็มีแต่ขี้เงือกี่ใครช้าล้านกันทั้งข้างบนข้างล่างมีแต่ที่เต็มตัวและยังมาเสกสรรปั้นยอออกมาว่าเป็นดีเป็นของดีก็เห็นแต่สุนัขเท่านั้นเห็นอาจมว่าเป็นอาหารไ ด, อด้อร่อยมนุษย์เราไม่ใช่สุนัขเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราไม่ใช่สุนัขเหตุใดจึงจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของหงามเป็นของที่น่ารักใครชอบใจซึ่งเป็นเหมือนอาจม แล้วดูดื่มด้วยอารมณ์รักชอบด้วยความว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆ ท, ท, ที่มันจอมปลอมและเสกสรรตัญญอดหลงมันไปทำไมกิเลสทาเป็นเครื่องแก้มีอยู่นามาชะมาล้างกันให้ถึงความจริงแตะต้องกันได้อย่างไรเมื่อถลกหนังออกมาแล้วเอาดูเนื้อในคนในสัตว์เป็นอย่างไรแดงโลดไปหมดทั้งตัวแล้วดูเข้าไป ตั้มหนดที่จะนาเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่น่าเกียดน่ากลัวน่าอิจนาระอาใจเต็มไปหมดทั้งร่างข้างบนข้างล่างดั่งขวางสถานกลางแล้กระจายออกไปดูในอวัยวะทุกส่วนนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นงามของงามของสวยตามที่กิเลสมันไปฝังจมความหลอกลวงเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดทุกแห่งทุกขนในสกุลกายของเราของเขานี่พี่คายดูให้มันหมด ความจำปอมของกิเลสที่มันไปตักเสียบหลอกมนุษย์ที่งูเขาเป่าปัญญาไว้เอาธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ฉลาดนี้จับเข้าไปแย่เข้าไปแทงเข้าไปพิสูจน์เข้าไปให้เห็นตามความแล้วเล่ายา้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้นนี่แนละอาวุธที่ท่านมอบให้เพื่อจะล้างสิ่งจมปอมทั้งหลาย มี่คืออาวุธเพียงจะพูดว่าหนังเท่านั้นก็กระจายไปแล้วเพราะเป็นประโยชน์ใหญ่มากหนังหุ่มหมดห่อหมดทั้งตัวของปฏิกูลโสโ ก, โกขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนี่ยอันบรุษตาฟาังแบบพวกเรานี่นะต้องใช้ปัญญาพินิพิจนาตามหลักธรรมของพระพุเทธเจ้าอาศัยปัญญาทีนี้ปัญญานั้นแทงทะลุ อ, อย่าว่าแต่ร่างกายอัน เล็กๆ น, น้อยนี่เลยแม้ภูเขาทั้งลูกก็แทงทะลุไปหมดแต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเล็กเพียงนิดเดียวหนังบางๆเพียงนิดเดียวไม่สามารถแทงทะลุได้จะว่าเรามีความถนาดแหลมคมได้อย่างไรก็คือจอมงูนั่นเองและเราอยากจะเป็นจอมงูได้ถูกกลม เรียกร้อจากกิเลสอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อแบกทุกข์ในวัฏะสงสารอยู่ร่ำไปอย่างนี้เลยถ้าไม่อยากแบกเห็นโทษของกิเลสก็ควรจะเห็นคุณของธรรมนำมาพิสูจน์กันด้วยหลักความจริงทำเป็นความจริงแท้ๆไม่จอมปลอมจึงเรียกว่าสวัสดิ์คาแธรรมจัดได้ชอบแล้วดูให้เห็นละเอียดละออในภายในภายนอกของส่วนร่าง ก, กายอากําหนด แยกแยะออกไปให้แตกกระจายทำลายลางไปแล้วดูกันได้ที่ไหนนั่งความจริงมันลบล้างความจอมปลอมว่าสวยว่างามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายาเป็นของเขาของเราออกได้หมดโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังถ้ามันเที่ยงมันแตกกระจายไปได้อย่างไรทุกถังตรงไหนร่างกายของเราที่มีความสุขความ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 อานยังเอื้อมยังฝืนอัดฝืนทําประยึดไปถือตีข้อมือหักมันก็ไม่ยอมถอยเพราะกิเลสไม่ยอมให้ถอยกิเลสให้พาสู้ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ปัญญาตีแล้วตีเล่าเอาจนกิเลสมันข้อมือหักไปหลยสุดท้ายมันก็แพ้ธรรมมีหลักการต่อสู้กับกิเลสเราอย่าว่าแต่เรา ผู้ต่อสู้กับกิเลสเป็นความทุกข์กิกเลสมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันสุดท้ายมันก็สลายไปไม่มีเหลืออยู่ภายในใจิตใจนั่นแหละที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรกวนใจเลยหายเงียบเหมือนกับบ้านร้างแต่มีคนอยู่มั่ฟังเอบ้านร้างตป็นยังไง เงียบจิตไปหมดไม่มีเสียงอืบัติคือโครงอื่นเริงเหล่านี้หมดไม่มีเมือนั่นทีราคะสังกัาตะตตะปตะอธินันดิมีเส้ที่ลังกามาตหาเพวาตันหาดิพวัตันหาเครื่องแสดงออกของกิเลสให้สัพโลกทั้งหลายแสดงกิริยาบ้าออกมาสดสดร้อน เล่านี้หาเงียบไปหมดไม่มีที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วประเภทละเ ก, ล ะ, เกละกับทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองมีแต่คนดีสงบส ง, บงียมเตรียมตัวนั่นเทียบถึงบ้านภายนอกบ้านบ้านร้างแต่มีคน เทียบเข้ามาข้างในก็คือว่าบ้านร้างภายในนี้ได้แา่กิเลสตัณหาอาสวะตัวพาดิ้นดนกวาดแบ่งตัวราคะตัณหาความทะเยอทะยานความวุ่นวายสายแสความโกรธความรุ่มหลงตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของปัญญายามพาดปันทันแหล ขาตบ้านไปจา ก, กจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ขันร่วนๆที่นี่นั่นแหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนคุณพระคุว่ากิเลสนั้นตายไปหมดสิ่งชั่วช้าลมกพาในจิตใจนี้ตายไปหมดพินาศพิภายไปหมดแต่มีคนอยู่นั่นก็คือมีมแต่เบญจขันน่าแสดงอาการตามธรรมชาติเข้ามารูป ก, ก็มีอยู่ตามสภาพ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 พอที่ให้เกิดความหนักห่วงท่วงจิตใจให้รับความลำบากมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นขี่มายึดมาถือว่านั้นเป็นเราเป็นของเราแบกหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็คือแบบขันนี้ด้วยอุปาทานทีนี้เมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านร้างทั้งคิดทั้งตุงได้อยู่แต่กม็มีความคิดความตุงใดที่เป็นภายต่อตัวเอง มีแต่ความสงบราบภาพอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากตัวเสเนียบสนาลยได้แก่กิเลสไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีขดอยู่คืออย่างนี้นั่นแหละมัชชิมาปฏิปทาพาผู้ปฏิบัติ ด, ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงาม ให้เข้าถึงจุดนี้เมยอยู่ที่ใจเรานี้ยิเลศอยากเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจกระจายออกไปสู่เสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสกระจายออกมาทางรูปเวทนา ส, าสาัญญาทังขานนิยญาเที่ยวจับจองที่นั่นที่นี่นล้วนได้ทั้งแต่เป็นอาการของยิเลสที่ออกจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญทางนา เมื่อปัญญาได้สกัดดัดกั้นตีต้นไปตามหลักความจริงลบล้างสิ่งจำปลอมทั้งหลายในรูปเสียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสออกได้ด้วยความชอบธรรมคือปัญญาธรรมแล้วมาลบล้างหรือถอนรูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณของตนที่มันปลอมไปด้วยความยึดความถือของเจร อ, ออกได้กลายเป็นขันรุน่นรุ่นขึ้นมา แล้วขับไลท่ทิเลตประเภทต่างๆเข้าไปจนกรอกจนมุมไปกองอยู่ที่หวัวใจดวงเดียวหาทางไปไม่ได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดออกแล้วด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแต่มาลบซ่อนอยู่ที่รูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณก็ถูกตัดออกด้วยสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงหมด กิเลสหาที่ทยึดหาที่ถือไม่ได้ถูกลบร้างไปหมดเข้าสู่ยิ่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงนั้นอีกเอาจนแหลกแตกกระจายไปด้วยกันภายในจิตสุดท้ายกัมหมดไม่มีกิเลสตัวใดจะเหลือตกค้างอยู่ภายในขันในจิตนี่เลย นั่นแหละท่านว่าหมดเชื่อแล้วหมดชาติแล้วหมดทุกข์แล้วหมดที่ตรงที่จิตหมดเชื้อคืออวิชชาเป็นสำคัญนั่นแหละเชื้อของความเกิดอยู่ที่จิตเชื้อของความเกิดหมดไปจากจิตแล้วความเกิดจึงไม่มี ผู้ที่รู้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วต่อไปนั้นด้วยความประจักษ์ต น, ตนในตนเองนั้นคือผู้บริสุทธิ์นี่ผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้สูญสิ้นไปได้อย่างไรถ้าสูญสิ้นไปได้ก็ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ไม่เรียกว่านิพานเที่ยงนิพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์ พิมุตภนิภาพาอยู่พาณจิตใจของนักปฏิบัติตรนนี้นี่และวิธีการแก่วิธีการถอดถอนาฟาดปันหันแหลกกับฟาสิกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอันพาให้ เ, เกิดแก่เจ็บตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าในทำนองเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านี้นั้นจะไม่นอกเหนือไปจากอวิชาปติยาสังขาราหนเป็น เชื้ออันสําคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมวิบากคือผลก็ต้องได้รับไปในภพชาตินั้นๆเกิดที่สูงที่ต่ํารุ่มรุ่มดอนๆอ น, อนเป็นไปจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากอวิชชาซึ่งคลิกแแปลนแปลงไปได้ในแง่ต่างๆให้สัตว์ทั้งหลายทําสิ่งต่างๆไปได้ตามความต้องการของอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นผลแห่งความเปลี่ยนแปลงไปต่า ง, างๆจับ ไม่เปลี่ยนไปได้อย่างไงเมื่อเหตุพาให้เปลี่ยนแปลงดีชั่วหนักเบาเป็ น, เ ป, นเป็นไปอยูภายในอีกิทธิพวชชาเป็นผู้บงการนี้มากที่จะทำให้เกิดสูงสูงต่ำต่ ำ, ำลุ่มลุ่มนรอ น, อนให้เกิดความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรนั้นจะปิดได้อย่างไรจะปฏิเสธได้อย่างไงว่าจะเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเสมอกันไม่ได้แม้จะไปเกิดในภพชาติต่างๆก็ต่าง ต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดแปลกแตกต่างกันอยู่โดยลำดับํำดาเพราะกิริยาแห่งการกระทาซึ่งเนื่องมาจากการบ่งการของอวิชชาให้ธรรมนั้นไม่เหมือนกันกายเป็นนิบัติไม่เหมือนกันขึ้นมานี่แนะ่ะการเรียนหนักความจริงให้รู้ความจริงของตัวเองให้เรียนอย่างนี้ตามหลักธรรมที่เรียกว่าสวขาตะธรรมนี้ถึงเราจะเราถึงจะรู้ได้ชัด แล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสู์ก็ดีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีพรหมโลกมีหรือไม่มีนิพพานมีหรือไม่มี <c oughs> มันรู้กันที่นี่หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการไปเที่ยวเฉียหมด ในสิ่งที่นี่แล้วเป็นผู้รับทั้งนั้นก็คือจิตตอาอวิชชานี่เองอบาปคำว่าบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ชั่วให้ผลเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่จิตตอาอวิชชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาแล้วจะได้ผลเลิศมาจากไหนขึ้นชื่อว่าจิตตอาอวิชชาพาสร้างแล้วจะไม่เป็นผลเลิศเลย นอกจากยิตาวิชาคือวิชาธรรมของพระริเจ้าพาสร้างพาดำเนินเท่านั้นจึงจะกลายเป็นจิตเลิศดขึ้นมานี่ละเรื่องทบเรื่องชาติอาหารตามตำรับตำลาสาธุเราไม่ได้ประมาทเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าไม่ได้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติแล้วก็จะงมแต่เงาอยู่อย่างนั้นอืมเพราะนั้นเป็นเงานั้นเป็นแถวเป็นแนวไปเฉยไม่ใช่ความจริง ความจริงคือการปฏิบัติต่างหาความจําเป็นความจําตัาหาความจําไม่ใช่เป็นสิ่งละที่เลยความการปฏิบัติตัาหาที่เป็นสิ่งที่ละทีเลยและเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ตามหลักความจริงเพราะฉะนั้นความจริงกับความจําจึงต่างกันอยู่มากราฟ้ากับดินผู้พิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์พรมมโลก จนกระทั่งถึงนิพพานและรู้แจ้งเห็นจริงจนถึงกับได้มาสั่งสอนโลกเราอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งตาเนื้อตาจักสุ ญ, ญาเห็นตามความจริงในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมนลบล้างได้อย่างไร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 การปฏิบัติก็เพื่อให้รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ควรละให้ได้ละเช่นบาปเป็นของไม่ดีให้ได้ละท่านผู้รู้ผู้ฉลาดมาสอนเราขนาดนี้เรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โง่เราฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนันแสนโง่ที่สุดหาที่เทียบที่เทียบไม่ได้เลยเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนหมดหลังเพราะลบล้างความจริงด้วยการลบล้างตนเองนั่นแหละ ให้หมดสารคุณต่างๆ <c oughs> นี่ลหละหลักสำคัญอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านพิสูจน์ตัวเองเราบวชมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อหาความจริงให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดๆสามโลกธาตุนี้จิตจะเป็นบร ม, มสุด เป็นขึ้นที่นี่แหละตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิเจรารณาจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่แล้วเลยแ เ, เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความเลิอดประเสริฐยิ่งกว่าใจกับธรรมที่ได้เข้าสัมผัสกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ ม, ตมอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของจใจนี่ท่านเรียกบรมมาสุขรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหายสงสยัย นี่เป็นสุดสําคัญที่นักปฏิบัติเราว่าเห็นทุกข์เห็นภายในทุกข์ให้ค้นหาเรื่องของทุกข์อยู่ภายในตัวเองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์หมายหน้าเห็นภัยจริงๆรไหมถ้ายังไม่เห็นทุกข์ที่มีอยู่ในตัวว่าเป็นภัยแล้วเราก็หาความสุขไม่เจอเหมือนกันจึงต้องคน้นดูให้ดีเอาให้กินให้จังนักปฏิบัติอย่าถอยหลัง พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอสาวกทั้งหลายเป็นแปดเบับอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงผลที่ท่านได้ครับเป็นผลแห่งความพ้นโลกวิวัตะ์ว่าไงไม่พ้นโลกได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์ถาคตต้องเอาให้จริงให้จรงอย่ารอแหละคอนแพนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทำเราอย่าไปยินดีเราอย่าไปนอนจา แล้วจะสําสคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรามันเป็นค่าสุดต่อเราทั้งมวลนั่นแหละอืมจึงได้ที่ฝืนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นเป็นธรรมเมื่อหมดกิเลสแล้วเราก็ทราบได้ชัดว่าความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอความโยกโยกคลอนคลอนนี่คืออายมันคือกิเลสทั้งหมดนั่นเมื่อได้ผ่านมันเข้าไปแล้วถึงรู้ มันคือกิเลสทั้งหมดไม่ไม่ใช่คือธรรมะมันคือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเพาราะอาจา้ย์จึงต้องพยายามกำจัดสิ่งแบบนี้อืมมันขี้เกียจทำความเคียรกับความขี้เกียจก็คือกิเลสขวางทางแล้วเวลานี้ขวางทางจมกลมแล้วขวางสถานที่ที่เราจะนั่งภาว น, นาแล้วอืมมันเปิดไว้แต่หมอนอย่างเดียวให้เราได้ลงนอนได้อย่างสบายอืมตายแล้วตายทั้งเป็น กิเลสก่อมเอาตายทั้งเป็นไม่ยินติเสียงกรอกๆนั่นให้รู้เวลาควรหลับควรนอนเราก็ลูกของเราเองธาตุขันเป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อนตามเวลาเวลาของมันการขบการฉันการเยียวยาธาตุขันเป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องทำธาตุเรากับธาตุของโลกของรูปสาลเหมือนกันต้องทำเหมือนกันแต่ให้ทราบว่าเราเป็นนักปฏิบัติ มีความหนักเบามากน้อยพอเหมาะพอสมอย่างไรที่จะควรพักผ่อนนอนหลับที่จะควรประกอบความภากเพียรให้เป็นไปเป็นเม็ดเป็นหน่วยด้วยความมีสติสตังเฉลี่งในทางความภาคความเพียรให้รู้สมกับนักปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อฉลาดตามปริ ม, ม, ม, มาณของเกียรตที่มันแสดงในแง่ใดนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ขอทุกท่านให้นํำปฏินิพกันมา การทยา p ามทำเห็นว่าไม่ควรขอยุดติดเง